และนั่นเป็นการจบที่เหมาะสมยิ่งสําหรับบทอัลลอห์มารดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธองค์การนี้ถูกนํามากล่าวในบทถึงสาครั้งโดยกล่าวไว้แปดครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับความมหาศักจจรย์ในการสร้างความสวยงามในการประดิษฐ์สิ่งที่ถูกสร้างมาการสร้างในครั้งแรกและการสร้างครั้งที่สองในวันพรโลก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 ทรงแจกแจงบุญคุณและความโปรดปรานของพระองค์ในบทนี้การที่ได้นําองค์การนี้มากล่าวชี้แจงไว้ในบทแนะ น, นํานี้ก็เพื่อจะได้ไม่กล่าวเป็นการซ้ําเมื่อได้อธิบายความหมายขององค์การนี้ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงกรุณา อัลลมัลคุรอาณพร่วงทรงส อ, งสอนอัลคุรอาณขอลกลอินสานพร่วงทรงสร้างมนุษย์อัลลมหุลบยานพร่วงทรงสอนให้เขาเปล่งเสียงพูดอัลชมสวัลกมรบิฮสบาน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 และแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นในแผ่นดินนั้นมีผลไม้และต้นอินทพลัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น และมีเม็ดที่มีเปลือกและมีกลิ่นหอมบบดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธคอซ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 ลมา บ, บ, าบ ร, าระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นกีดขวางมีให้ล้ำเขตต่อกั น, บบนดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ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 ดังนั้นด้วยบนคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธครั้นเมื่อชั้นฟ้าแต่กระจายออกมันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายขี้ึงคันเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออกมันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายีึง ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธแลวในวันนั้นมนุษย์และยินจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเขาดังนั้น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 ดังนั้นด้วยบุญคุณนันไดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ น, น, นี่คือนรกที่บรรดาผู้ที่มีความผิดไม่ยอมเชื่อนนพวกเขาจะเดินวนเวียนอยู่ ร, บรอบๆระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือด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 ในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีน้ำตาสองแห่งไหลพ ร, พร่่งพรูดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสมมธนนในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้ทุกชนิด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 ผลไม้อของสวนทั้งสองนั้นอยู่ใกล้แค่มือเอื้อมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธแมิอาทุแลมิตมิทุนนับหลมวลาจน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 พระเจ้าของเจ้าทั้งสอ ง, ท, า ท, า ง, สองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ